พึ่งเทชีวิตจิตใจให้แก่ลูกถ้าเขามาขอลูกมันไปเลี้ยงซะทางอื่นมันได้ไม่ยังไม่ได้เลิกโยนมมันได้เพียงเดือนสองเดือนลืมหูลืมตามาแค่นั้นคนมาขอลูกมันไปมันไม่เห็นลูกมันเท่านั้นมันวิ่งขึ้นข้างบนบ้างหลงข้างล่างบ้างร้องหอ้าวหาวอ้ามันรู้มันว่าอย่างไงก็ไม่รู้มันเลี้ยงกับลูกมันนะเาเอา เอ า, าเรี้ยงลูกไปเขาเออกไปแล้วเขาเออกไปแล้วมันก็ไม่รู้ภาษาเราหรออย่าไปห่วงเลยเขาเออกไปเลี้ยงดีที่สุดแล้วทั้งหลายวันวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นั่นทับอ่อนถ้ามีลูกตัวเดียวมันจะไม่กินข้าวกินน้ำตั้งหลายวันเลยถ้าเอามาลูกมันหนีไปดังนี้พออย่างนั้นน้ําใจสัตว์และน้ําใจมนุษย์กลมเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าขอให้มี ล้ำใจตอบแทนบุญคุณเนอะมนุษย์เราเป็นธรรมมาพิสมัยเจริญในหัวจิตหัวใจของเรา ล, ลึกได้อย่าทอดทิ้งนิ่งดูได้อย่าใจจืดอย่าใจดำอ่ากำลังคุณถรมบำหลุงท่านตอบติดงานนั้นนี้ก็เป็นงานวันเกิดซะด้วยงานนี้เป็นงานวันเกิดของครูบาอาจารย์ท่านก็อยากจะทํา มาตาปิตุอุปท า, านรมเหมือนกันท่าน่วงรับไปแล้วกอดีมีชีวิตอยู่พอดีอยากจะตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่จึงคิดงานมันเกิดขึ้นทำงานมันเกิดบ้างจะได้บังสุขุนจะได้ทักษินานุประทานจะได้มีการเลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์เพื่ออุทิศกาับมน า, าผลส่งให้บิดามารดาของท่านบ้างอย่างนี้หรอก ถ้าหากไม่มีใครช่วยเมื่อถึงวันเกิดของท่านมาแล้วท่านจะทำยังไงเออวันเกิดแล้วนะวันนี้นะเกิดวันนี้แน่นอนออไม่ได้มองคุณใครเลยละไม่มีใครช่วยเราเลยละเราจะเดินจงกรมบูชาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระงสงฆ์ตามสมควรหรือไม่นอนนั้นเลยละ ว, วันนี้จะบูชาทิส่วนบุญให้แม่ด้วย แม่เลี้ยงเรายากและเงินนั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจมันรวมได้รับปีติสุขขึ้นไปแล้วก่อนเป็นเองกะตาลมแล้วก่อนยิ่งดีใหญ่นั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ อ, อุดติศส่วนกุศล ท, ที่เกิดจากการกระทานี้ให้ให้ผู้บังเกิดข้าวล้วให้ครูบาอาจารย์ บูชาพระพุทธเจ้าบ้างบูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์เมื่อได้ทําจิตจะจิตจะทําอันสมควรนี้แล้วท่านจึงค่อยสบายใจอ่ตาตาหากว่าท่านมีโอกาสท่านบินบาตมาท่านก็จะเอาเข้าในบาตรนั่นแหละใส่บาตรของหมูพวกทั้งหลายอ่าให้หมูพวกทั้งหลายได้รับได้รับได้รับไปไปหมด หายไปหมดจนไม่มีในบาทแล้วมีแล้วขอหมูกินเดาวันนี้ผมทำบุญให้แม่ผมวันเกิดของผมอย่างนี้กับนี่นมันมีนิทานอยู่นี่ประวัติอยู่พระคุณเจ้าองค์หนึ่งบวช้ามาแล้วฝันเห็นแต่บแม่ฝันเห็นแต่พ่อผูบังเกิดเก้า ว, ว่าไม่ได้กินอะไรเลยทำยังไงนะเนาเราก็บวชมาแล้ว เราจะหาอะไรมาทำทานเนาออุทิศให้แม่เนาะแรกผมก็จนๆอยู่ไม่มีะอะไรเลยสาหรับบวชใหม่ๆอยู่ไอ้กาพูนพระพุทธเจ้าบ้างกาเมียนพัดเถละาบ้างให้ทราบเฮ้ยเธอไม่ยากรอกไม่ต้องหาอะไรมากมายบินนวาตมาหมดแล้วพอผมขอ อาหารในบาททุกองค์เนี่ย <Okay. S 1> ผมจะทําบุญให้อุทิศให้ผู้บังเกิดเจ้าผมมันไม่มีอะไรขอพระคุณเจ้าทั้งหลายเมตตาผมด้วยเถิดมาสงฆ์ทั้งหลายท่านก็รู้ความมาสงฆ์แล้วก็สาธุเอาเลยเอาเล ย, เ อ, เ, ลยเอาบาทไปตั้งไปตั้งไปตั้งไปให้เอาเป็นของท่านแล้วนั่นนี่นะเป็นของท่านหมดแล้วถ้าท่านจงว่าเอาเถิด อปัตนาเอาเดิดโอ้ย ก, ทะทกระซาดยแล้วขอก่าวว่าอ่ามานี้เมยังพันเตพัตตาดิทัพปริวลาดิขอถวายพระ ต, ตาอานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงเมตตารับด้วยเดิดอ่าเมื่อรับแล้วก็จงบริโภคกบันตามสบาย ถาผมเรือว่าเป็นของกัผมแล้วขอประเด็นของนี้ถวายคืนมีคนช่วยเกณฑ์ก็ได้แล้วเกณฑ์เองก็ได้เพราะท่านเกณไว้แล้วเกนสิ่งของให้ท่านท่านก็ยัดถาสภีให้แล้วก็เทน้ำลงพัสสาหรือที่ไหนก็ได้อุทิทจจศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาของท่านที่ฝันเห็นนั่น ปีดาบันดานั่นได้รับเต็มเปี่ยมเลยเพราะว่าไม่ได้สั่งการใดๆของบริจุดมาทางนั่นที่ประคุณเจ้าอุทิศให้เนี่ยประคุณเจ้ามามอบหมายให้ให้ท่าน ท, ำทํำสังาทานได้เลยเนี่ยบาทก็ให้อะไรก็ให้อาหารหวานขาวก็ให้ให้ท่านหมดแล้วท่านจงทําเกิดเนี่ยท่านเมตตาก็ทำท่านจะทําอย่างนี้มีในครั้งพุญการท่านทําอย่างนี้แนละ้ว เป็นคนยากคนจนไม่มีเวลาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะทำบุญท่านก็ขอหมูขอคณะเอาก็ได้หมูคณะรู้จักเรื่องราวท่านเมตตากันท่านขอให้ให้เลยถวายเลยเนี่ก็ได้บุญฝาศาลต่อมาได้นิมิตเห็นพ่อเห็นแม่ อ, อย่างเก่าละแต่ว่งมาเรานี้มีเสื้อผ้าอ่อรเหลือง ล, ลมร่างกาย สมบูรณ์สีสวีวรรณผุดคลองมาบอกว่าที่พระคุณเจ้าทําให้นั้นได้รับเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปถึงศพแล้วได้อยู่วิมานแล้วเป็นวิมานทิพย์อาหารเป็นทิพย์อาพรเป็นทิพย์ได้อยู่ดีจินดีแล้วขอให้พระคุณเจ้าทรงตั้งหน้าตั้งตาทำ功德เถิดอย่าได้เป็นห่วง โยมเลยมาบอกทีหลังก็มีนะดังนีเ้เขาเรียกว่าอุบายยวิธีของพระคุณเจ้าท่านอนุมัติให้ทำกันได้นี่ญาติโยมทั้งหลายพอได้ยินข่าวว่าครูบาอาจารย์จะจัดงานวันเกิดเท่านั้นอาตาสมัครมาเลยมาทำาลงครัวมาทำาลงทานอาหารหวานกาวช่วยท่าน โดยเลี้ยงพระเจ้าพระสงฆ์ให้ท่านไม่ต้องขออะไรมาเสียสละกันเองแม่น่าปรึกใจเหลือเกินนะเทวดาทั้งหลายผมจะต้องสาธุการนะแม่อะสมาเองก็ขอโมศนาสาธุการด้วยขอให้ท่านสลายจงเป็นผู้มีธรรมมาปิสมัยในหัวใจไปทุกผลทุกแห่งกันเถิดอย่าให้มันเสื่อมเลยเ อ, อ, อย่ามันเสื่อมจากจิตจากใจ ถ้าธรรมะพิสมัยเสื่อมจากจิตจากใจเราจะเป็นคนเห็นแก่ตัวจะเก็บจะคำจะกอบจะโวยจะโกง จ, จะกินจะอารัฐ็เอาเปียบเพื่อนมนษุษย์ไปข่าไม่ขายด้วยกันก็าอาจจะเอารัดเอาเปียบซึ่งกันและกันอาจจะหักหลังกันก็ได้เพราะความโลภนันเองโลกปัเจแล้วทำมันแก่ข้าขึ้นมันเป็นอย่างนี้ให้เข้าใจนะการเจริญทำปฏิบัติทำก็ทําให้ จิตใจเจริญเห็นอกเขาอกเราให้มากขึ้นมากเึินเห็นความทุกข์ของผู้อื่น ค, ค่ายเป็นของเราเพราะว่าเราก็ทุกข์อย่างนี้เหมือนกันคนนั่นทุกข์ก็เหมือนเราทุกข์คนนั่นรวยก็เหมือนเรารวยคนนั่นมีความสุขก็เหมือนเรามีความสุขตั้งใจอยู่อย่างนี้ไวเ้เรื่อยๆนี่เป็นธรรมมาพิสกัไหม ไม่เอารัดเอาเปียกผูดด้ใดเลยอย่างนี้ท่านผู้ที่เจริญแล้วทั้งหลายท่านไม่ถือว่าเป็นสมบัติของตัวเลยได้อะไรมาไม่ถือว่าเป็นสมบัติของตัวเลยอย่างหลวงปู่จันสมท่านไปตลอนตลอนอยู่ที่กรุงเทพได้เจตุปัใจมาเออท่านคนดีใจอยู่ล็อกจะได้มาเพราะว่า เขาทำงานอยู่ทางโน้นทางโน้นทางวัดกำลังพัฒนาอยู่ก็จะได้ไปจ่ายให้เขาว่าง เ, าเขาซื้อตั๋วให้แลกเป็นเช็คให้แลกเป็นดาบให้ท่านก็เอาม า, า, าหรือท่านจะมีปัญญาว่าโอนไปเข้าบัญชีทางวัดเลยก็ได้ให้โยมไม่โอนได้ได้เงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วจะถือมาเองก็ไม่ได้เป็นพระ ก็สั่งตั้ให้ญาติในโยมไปยาววัชย์กรไปจัดการโอนเข้าบัญชีนี่บัญชีนี่ให้หน่อยแลนะ อ, อ, อยู่อำเภอหรือหรือรอยู่จังหวัดอุดรหรือที่หนองคายที่เชียงใหม่ที่ท่านรู้จักได้เปิดบัญชีไว้แล้วนั่ น, นก็บอกอย่างนี้ของนั่นก็ถึงมาเลยถึงมาก่อนเลยต่อมาท่านขึ้นมาแล้วท่านขอมาเซ็นบัญชีออกจ่ายได้ เป็นวันชีจ่ายได้จ่ายได้เนี่ยท่านทำมาวินรรันยท่านทําอย่างนั้นเออท่านไม่ได้ถือมาเองท่านมาดิ้ยัดใส่ย่า ม, มาเองหรอย่ำฉันย่ำ ม, มาได้ก็ได้เแ็่เช็คของขวนเท่านั้นละเออถ้าเป็นเงินจริงๆก็ฝากเอาโอนเราเออหรือไปซื้อบิลรับให้เขาซื้อบิลรับมามาขึ้นเงินคร้งนี้ได้มาเข้าวันชีได้ดังนี้ ท่านไปทุกวันทุกวันไปเพื่อส ง, งเคราะห์จิตใจญาติโยมที่มีศรัทธาขอบท่านหึงเมิตาเขาแล้วก็ได้อามิตรบ้านเขาถวายตามศรัทธาบ้านละพันสองพันบาท ล, ละมืน่นสองมื่นก็นแล้วแต่เขาจะให้นะโอ้ท่านกำลังสร้างอะไรอยู่เขาก็หาให้จัดผ้าป่าไว้ให้ หลวงพ่อนี่ก็เองก็ได้ไปรับภาพบาครับท่านเหมือนกันนะอยู่บ้านศูนย์ปฏิบัติธรรมเอซิลีซับเขาจัดกอง้าพบาให้ได้องค์ละหลายหมื่นนะ อ, อย่างนี้มันน่ามาไว้ยตัวน่ามามาแล้วจะได้บรรจัยไปให้ค้าจ้าเขาดังว่าแล้วทำอย่างนี้กันทุกคนทุกคนนะพระทั้งหลายทันไม่เจ็บไม่คกาอะไรหรอกตามนี้ แล้ก็พ้าตัวอย่างอีกท่านทาอยู่เดี๋ยวนี้ผ้าตัวอย่างอีกองหนึ่งท่านทำทำเพื่อชาติจริงๆเลย เ, เราไม่เอาไม่เก็บไม่ทำอะไรไม่สร้างอะไรหยุดหยุดหยุดเบื้องต้าเรามองเห็นความทุกข์ทรมานของอประเทศชาติหนักเกินเกินพิจารณาไปทีไรหนักขึ้นเหลือเกินได้ อ, อะไรมาก็หนักเป็นหนี้เป็นสินประเทศอื่นเข า, าก็มากมาย ไม่รู้ว่าจะเจ็บจะกับจะขอบจะโอยหินกันไปถึงไหนไม่รู้จักบ้านชาของตนบ้านเมืองของตนจะล่มจะจมไม่ก็ไม่คิดเลยอย่างเงี้ยยิ่งห่วงมากขึ้นขาวละตัดสินใจเราจะเป็นผู้หาเงินช่วยชาติบ้างทอดพระพ า, าช่วยชาติบ้างเอาทองคำก็เอาเอาหลอลาก็เอาเอาทุกตระกูลเงินเอาประกาศไปเลยนะหลงตาบัวจะมา เออรับเองตั้งที่ไหนที่ไหนจะมารับเองได้เงินเท่าไรเท่าไรแล้วมอบเขา้าบัญชีกลางบัญชีหลวงบัญชีกลางเลยพอเป็นของกลางต้องทำได้เท่าไร่เท่าไรไปเปลี่ยนมาหรือว่าทะหลงหรือว่าเทหลอมใหม่ให้มันเป็นแท่งละสิบสองกิโลสิบสองกิโลห้อยมอดได้มาเท่าไรก็ไปกลุ่มหม่ได้สิบสองกิโลสิบสองกิโลเป็นทองแท่ แล้วก็เป็นหม้อให้ธนาคารชาติเขาให้เข้าบัญชีกลางให้หน่อย น, นะอันนี้หายไม่เป็นนะหายไม่เป็นหละนายหลวงรับผิดชอบแล้วนายหลวงรับทราบแล้วพิดชอบแล้วทูนในตันทุนตุกตุกกรับอยู่ในบัญชีกลางบัญชีหลวงแล้วเราก็ดีใจเอาไปเรื่อยๆไม่ได้ว่าวันนั้นเขาก็นัดไปที่นั่นกัไฟวันนั้นไปนัดไปที่นั่นกัไฟตัวเองเสียงแหบเสียงแห้งกลางวันเอ กลับมาที่พักหินนองร้อนนอนเท่านั้นแหละไม่ได้อะไรเลยเอาบัญชีไปหมดแล้วดังนี้ท่านทําอยู่อย่างนี้ทําให้เป็นตัวอย่างของพระทั้งหลายไม่ให้เก็บไม่ให้คําไม่ให้ขอบไม่ให้โกยไม่ให้โกง ไ, ไม่ให้กินใดๆเท่านั้นแต่ท่านมีบารมีบารมีมากอกว่าพวกเราเท่านก็ทําได้แหละนะวพวกเราจะไปทําอย่างนั้นก็เสร็จแต่ที่สร้างอะไรอยู่ก็ไม่มีของ ง, งู ไม่มีของปงูพื้นเลยอย่างเนี้ย เ, เราก็เจ็บมาบ้างใจ่ายบ้างามีคนเอา้องคำมาให้เขาไปร่วมกับนบ้างดอลล่ามาให้แล้วก็ไปร่วมกับท่านบ้างแต่ไม่ถึงมากนี่ขอโมรน า, าสาธุการกับญาติโยมทั้งหลายที่ร่วมกระทำบุญสุนทานกับอุบาอา์ไม่ว่าในด้านไหน จะเป็นนานงานวันเกิดของคููบาอาจารย์ก็ดีหลังไหลกันมาโอ้อหมืดว่ามัวนินมาจริงๆอย่างว่างานวัดอารัญญวันโสดเราก็เคยไปร่วแมแหมชื่นใจชื่นใจเห็นแล้วชื่นใจขับน้ำใจของประชาชนไหลหลังมาไม่มีใครบังคับเลยมันเกิดเองมาเองด้วยศรัทธา เป็นธรรมมาภิรมย์ทำให้โลกชีวิไลน่าอยู่มากถ้าโลกเป็นอย่างนี้อยู่ชื่อว่าอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขไม่ <c oughs> ตัดจิตขวงใจเลยเห็นเวลาใดชื่นใจเวลานั้นเห็นหน้าเห็นตาญาติโยมก็เบิกบานล่าเริมเห็นบูวาจา ทุกท่านทุกองค์มาร่วมงานก็อิมม่มหนี้ผีมันไปเลยอ ต, ตัวของเราเนี่ยแหละคนหนึ่งเอาให้อิมม่มหนีผีมันไปเลยงานของครูวาจาทุกอย่างเราจะกินอย่างไม่อั้นเลยล่ะเพราะว่าเราเป็นพระจินจุพระองค์อื่นท่านเป็นพระเจจิแต่ตัวของเราไม่เป็นพระเจจิเราจะเป็นพระจินจุอย่างเดียวนานเห็นไหม มีพูดเหตุคนเฉยๆรอกเหตน เ, เป็นอย่างนี้เอลรยาโชมทั้งหลายกิเลสมันจะหมดไปจากจิตจากใจเราจัดการกับมันนะไม่ใช่มันหมดเองนะทานาังเทติเป็นการกำจัดกิเลสคือโลกมรรคเลสยาให้มันเบามันบางไปไม่มากก็ต่ำน้อยทำบ่อยๆอยมันก็เบาไป ดังนางวิสาขามหาวจิกาเป็นตัวอย่างหรือในเมืองไ ท, ทยเราที่เห็นเห็นกันอยู่กันดูสมเด็จย่าเป็นตัวอย่างนอกกว่านั้นก็มีอยู่บ้างท่านทำของท่านอยู่อย่างนั้นทานังเทติทานังเทติพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทำของท่านอยู่ช่วยเหลือไปฟ้าข้าเป็นดีอยู่อย่างนั้นพระบรมมลาศีนี้่กินีนาฏทาของท่านอยู่อย่างนั้น บรรดาราชบุตรราชธิดาทุกพระองค์ก็ทำกันอยู่อย่างนั้นจะมีความาสว่างแกมใสหรือเปล่าผมไม่รู้ที่ทำไปทำไปแล้วเราเห็นกิริยาที่ทำแล้วก็ปลื้มใจแหม น, น่าโมนนาจริงๆเว้ยท่านทำได้ขนาดนี้สมเด็จพระเทพประทัศนาสุราก็ยิ่งเรากันใหญ่นี่ผลงานล้นแผ่นดินมี ความเมตตาปรานีทั่วถึงไปทุกหมนทุกแห่งสมเด็จพระบรมราชนีราชหากเห็นพระไฟฟ้าผ้าเป็นดินของพระองค์เกิดลบลาผ้าพันกันเดินขบวนกันทุ่มตีกันหรืออะไรต่าเนี่ยออกม า, า, ก า, ร, ออกมารายการได้ออกมาทํารายการแห้ร้องไห้ไม่ได้ธรรมดาเห็นไฟฟ้าผ้าเป็นดินข้ากันตีกันยิงกัน ตายใน16ตุลาโนตครั้งหนึ่งเราเห็นออกมารายการกับพระเจ้าอยู่หัวร้องไห้สิมูฟฟังออกมาเลยเห็นประชาชนของพระองค์ทำอย่างนั้นทําไมถึงทำอย่างนั้นทําทําไมทําอย่างนั้นมันจะมีความสุขอะไรมีแต่ความทุกข์ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายบ้านเมืองจะพังก็ทำอย่างนี้ขอร้องเถอะนี่ร้องเสีงหลาย จะได้ทำอย่างนั้นกันเถอะแม้ข้าพาเจ้าแต่เสียสลาทุกปิ่งจุอย่างอยู่แล้วเพื่อพี่น้องทั้งหลายนั่นเองคิดดูสิข้าพาเจ้าไปประเทศญี่ปุ่นข้าพาเจ้าไม่ได้ไปแออย่างอ่าพระราชนีนะไม่ได้เป็นพระราชนีไปเลยข้าพาเจ้าไปอย่างแม่ค้าไปหาตลาด ผ้าไหมให้พี่น้องทั้งหลายว่าอย่างนี้นะไปหาเป็นเป็นผู้หาตลาดให้พี่น้องทั้งหลายไปเปิดตลาดผ้าไหมไทยให้พี่น้องทั้งหลายตอนนั้นไม่ได้เป็นอย่างาผ้าลายจีนเลยนะเอาหน้าเอาตาไปแลกเอาเพื่อต้องการให้พี่น้องมีอาชีพการงาน เ, าเพื่อจะได้ทํามาหาชินจะได้มีรายได้เพิ่มเติมขึ้น ต้องการประสงค์อย่างนี้จริงๆนะ่แหมทุกสิ่งทุกอย่างก็เสียสละเพื่อพี่น้องจริงๆไม่ได้เพื่ออะไรเลยอยากจะหาเสียงเป็นผู้แทนก็เขาก็ไม่ใช้หรอกอยากให้พี่น้องมีความสุขตอนนั้นมีความอยู่ดีกินดีพออยู่พอกินพอใช้พอสอยตอนนั้นจนไปตั้งศูนย์ศิลปาที่ตั้งศูนย์ศิลปาทีพที่ บางไสให้แห่งหนึ่งเพื่ออนุรักษ์ศิลธรรมหรือว่าวัฒนธรรมศิลปกรรมศิลปกรรมอะไรที่ทำด้วยปีไม้หลายมือรักษ า, าไว้ให้มันอยู่แล้วก็ลงทุนให้ด้วยแล้วก็ตั้งกองทุนมูนิธิไว้ให้ด้วยเพื่อส่งเสริมศูนย์ศิลปกรรมไว้ให้ดังนี้เป็นตัวยอย่างแสดงว่าน้ำใจของสมเด็ก พระบรมมาลาจีนีนาก็เหมือนแม่เหมือนกันนะแม่พลังประเทศเลยสมเด็จแม่ฟ้าหลวงท่านล่วงไปแล้วอันนี้สมเด็จอะไรวะแม่ฟ้าสยามนีแม่ฟ้าสยา ม, ม, ายามเลยดีไหมเออํำใจอย่างนี้หาได้ยากจริงๆเมืองใดไม่มีกวีแก้วท่านบอกไว้ในตำรานหนึ่งก็น่าฟัง เมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วคนหยาำประเทศอื่นเขาจะเหยียดจะยามได้ไม่มีกวีไม่มีนักปราช์ไม่มีกวีเอกอะไรเลยแต่เมืองไทยเรามีกวีเอกอย่างยอดเยี่ยมก็มียกสุนทรผู้เป็นตัวอย่างทับพระคุณเจ้าสมเด็ดจเจ้าคุณสมเด็จอะไรอะไรท่านไหนร้อยคลองออกมาแล้วทำมวินาย เป็นกลาบเป็นกรเป็นโคงเป็นฉันได้ทั้งนั่นล่ะนี่กวีแก้วของเราเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่แล้วทำกลับทำกรสอนหญิงสมัยใหม่สอนหญิงสมัยเก่าสอนหมดทุกกิงยุ่งยาวท่านสอ น, สอนจากคุณอุบาลีคุณภูมามาจันเนี่ยค่ะแม่นักสอนโลกให้ทันสมัยอยู่เสมอนะอ่านี่เรียกว่ามีกวีแก้วแล้ว ไม่มีไม่แคล้วคนหยามแล้ไม่ไม่มีใครหยามใดแล้วปิดแล้วคนจะมาเหยียดมาหยามเมืองไทยไม่มีแล้วเมืองใดไม่มีนารีงามเมืองนั้นขาดความพึงภูมิใจเออโอยเมืองไทยกินขาดแล้วส่งไปแข่งนางจัจกรวาลสมัยใดไม่ได้ที่หนึ่งมาไม่มีถ้าส่งคนไทยที่สวยเลิดเลอไปทสงแข่งขันนาง งามจักรวาลโลกแล้วค่ะแหมได้ที่หนึ่งที่หนึ่งเหมือนกันนะแต่ยังไม่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมธรรมมาปิติสมัยยังไม่ไม่เต็มก็มีเราเห็นนางงามจักรวาลได้นางงามจักรวาลมาไอปุ๋ยมันไอปุ๋ยมันอะไรเขาเรียกว่าชื่อหนึางชื่ออะไรไอปุ๋ยมันละ เวลามันกลับมาในเมืองไทยมันไม่ไหวแม่ไมี่จ้กอดเฉยๆถ้ามาแล้วให้ไห ว, วแม่แลวแม่จะได้ทามาพิดกับม่เต็มเปลี่ยมเลยปืมใจด้วยกันทุกคนออถ้าลูกหลานเราได้นางงามจังกวนมาอย่างนั้นจะไหวใครก่อนเนาะไหวพอ่อไหวแม่ละก่อนออพอมาถึงแล้วอย่าช้าเลยติไหวจีตัก อันดีกราบก่นกอนเพราะว่าแม่ให้ร่างกายอันนี้พ่อให้ร่างกายอันนี้มาร่างกายอันนี้ได้ขึ้นมาเพราะผลงานของพ่อของแม่พี่เจ้เลยท่าน เ, ทเอท่านทั้งสองรวมกันไว้ให้หนะท่านหน้าโมท่านจิตท่านเอาของท่านให้แล้วเราก็ไปเกาะเอาเฉยๆรอกรณีสนธิกิจนะเนี่ยไม่ได้ท่านปั้นเรานะ ท่านให้แต่วัดสรุให้หนาต่ า, าน้ำของแม่ให้โมธา ด, ดินของพ่อเรียกว่าให้วัดสรุดิบวัตถุดิบเมื่อมีวัตถุดิบรวมกันแล้วดวงวิญญาณมันลอยล่องเล่ร่อนเลเ่เเเเ <id> พระเนจรมามาเจอมาเจอดินดีน้ำดีเข้าไปถือปฏิ ท, นทินเทศพ่อเข้าปั๊บก็ติดปุ๊บพอดีเหล็กดีไฟดีมันก็ติดกันปุ๊บเลย อตุกติกตุกติ๊กขึ้นมาทันทีหัวใจท่านทำงานก่อนใครสังนั้นถ้าดวงวิญญาณเข้าไปในครันแล้วอ้าวเพิสร้างหัวใจก่อนมันดีนขึ้นมาก่อนตุกติกตุก ต, กติกขึ้นมาก่อนพอตัวนี้ดีนได้แล้วตั้งแต่วินาทีแรกไม่เคยหยุดเลยดีนจำม่ําเสมอดีนจำม่ําเสมอที่มีบุญญาธิการมาแต่บางก่อนยิ่งได้หัวใจอันดีแข็งแรงดีมาก และก็จะสร้างอวัยวะน้อยใหญ่ด้วยหัวใจดวงนี้ดวงหัวใจดวงนี้เขาเดินทุบๆแล้วมันก็เต้นไปก็แตกกลลลัคณะเป็สีแตกแข้มแตกขาแตกหูแตกตาแตกดำแตกไตแตกไข้แตกอุ้งแตกระบบทางเดินต่างๆด้วยเป็นอัตโนมัติของมันเองพ่อแม่นอนเฉยไม่ได้ฟันตรงไหนเลยอันนี้มันแต่งไปด้วยวิบากของกรรมของเราเองต่างหาก คำมังสแตวิพัสนสีวิบากกรรมของเราทําไว้แต่ฟางก่อนดีเราก็จะได้ร่างกายดีวิบา ก, กรรมของเราแต่ฟางก่อนร้ายมันก็จะได้ร่างกายร้ายอ่อับประไม่สวยไม่งามปากแวหว่งจมูกวิ้นตาเลหล่หูหนาตาเหล่ไปละแข้งขาตินมือติดติดติดตัดไปก็ได้เพราะว่าคำแต่ก่อนเราทําไว้อย่างไร คำว่านั่นจะมาตกแต่งเราเคือคมวิมาเนะสัตตานังคำว่าปัญนาปป ป, ป, ป, ปคำว่าปัญญาะครับตกแต่งถ้าเราทํำคำชั่วร้ายไว้รุนแรงกับผู้อื่นไว้มากมายคำที่ลุนแรงสาหันสากันอย่างนั้นจะมาแต่งร่างแต่งกายให้เราไม่พบบริบูรณ์กับเขาเลยมีแขนผม็ไม่เหมือนเขามีขาก็าไม่เหมือนเขามีโู้มีตา ก็จะไม่เหมือนเขามีปากก็จะไม่เหมือนเขามีอวั ย, ยวะไม่ครบถ้วนไม่เหมือนเขาได้ชีวีวันนะก็จะไม่เหมือนเขาไม่สวยงามเหมือนเขาอาจจะได้ อ, อะไรอัปรรกรณ์ต่างๆนานาผิวดำขับเทียดอะไรก็แล้วแต่เนีมันเป็นไยด้วยวิบากของกรรมนั่นเองถ้าคนขี้โกรธมากมาเกินกับเขาในชาตินี้ไม่ได้ชําระความโกรธกันได้ร่างกายแอ็น ด, ดำมะมิ่ง ไปเลยดำมิตเลยผู้ใดได้รับสาสินบากผู้ใดได้แผ่เมตตาให้เต็มเปรียมไม่มีความอิจฉาริสยาในใจเลยตายในเวลาแผ่เมตตาขนาดนั้นศิลธรรมก็บริสุทธิ์ไปเกิดในที่ใดๆก็ตามไม่ร่างกายอุดมมองเหมือนยองใหญ่สีวันละก็ดีเป็นอย่างนั้นคนไหนไม่ไ ม, ไม่ไม่เคยเบียดเบียนชีวิตสัตว์เลยอ เป็นคนบริสุทธิ์ผุดของจะได้อวัยวะไม่มีโรคมีไปเบียดเบียนเลยจะมีอายุมั่นขนยืนได้หลายร้อยปีเอ่อร้อยปีไม่มีย้อนได้เหมือนกรรมานาเขาว่าน่ะเพราะว่าอัินี้สงผลที่ไม่เบียดเบียนบรมมะเบียดเบียนตัดมาแต่บางก่อนนั่นเองเพราจ ะ, ะนั่นพวกเราให้รู้จักว่าเรามาเกิดได้ยังไงมาจากไหน เราได้อะไรมาเป็นร่างเป็นกายร่างกายของเราเป็นธาตุของกายให้เป็นคนได้อ๋อเป็นธาตุของพ่อของแม่จริงๆละ่ะท่านให้แค่ธาตุแล้วยังไม่พอหัวใจท่านก็มอบให้เราอีกคื้อเมตตากรุ่มนามุทีตาภูมิภักคลาษาอาสาสมักเลี้ยงเราอีกเกียวกับพ่อแมอ่ให้หัวกิดหัวใจเพราะว่าได้แต่เมตตานั่นแหละ โลโก้อันัมพิกาเมตตากันตวโลกผู้ที่จะ อ, อยู่รอดปลอดภัยมาเพราะด้วยอำนาจเมตตาของพ่อของแม่นั่นเองถ้าพ่อแม่ไม่เมตตาแล้วก็บีบจมูก้ามันก็หมดไปเอาน้าใส่เอาเอาคหน้ามันใส่ชามกระมังน้ำซะมันก็ตายไปหรือว่ามันเกิดใน้อ เราไม่อยากให้มันอยู่ทำแทงก็ได้บีบออกก็ได้ฉีดยาประครับออกก็ได้ถ้าท่านมีมีเมตตาเหตที่เราอยู่รอดปลอดภัยมาก็เพราะท่านเมตตาใจเบาใช่ไหมใช่ไหมเต้าท่า น, นเมตตาเราเราจึงรอดมาหรอกต่อมาเกิดขึ้นมาลืมตาอ้าปากดูโลกเขาช่วยตัวเองก็ไม่ได้ใครแล้วเป็นเอาน้ำหยดฝากให้ ใครเรานงใส่ปากให้พอนข้าวพอนน้าใครไปดูแลให้ใครจะตกภผ้าที่ดีพ้าเยี่ยวให้เราน้ําใจที่เกิดกับพ่อจากแม่ที่มีเมตตานั่นเองถ้าเขาไม่มีเมตตาบางรายก็บีดจมูกลูกตายแล้วเมาไปใส่รันกระดาษโยนลงทางหน้าต่างรถไปอย่างนี้ก็มีละวปีที่ผ่านไปไม่นานนะี่ะได้ยินข่าวเพราะพ่อแม่ไม่มีเมตตา เด็กนั่นก็ตายไปในลังนั่นแหละในลังนี้าาถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่ทิ้งดำงคายาให้มันตายไปเองให้หมงกตมันตายไปเองอย่างนี้กูมีน้ำใจอะไรก็ไม่รู้น้ำใจคนแล้วน้ำใจสัตว์นะทําอย่างนั้นใจสัตว์มันยังรักลูกเลย ตาเป็นคนแสบไปทำอย่างนั้นได้ยังไงขาดเมตตาราณีอย่างนี้เรียกว่าขาดทามาผิดสมัยไม่มีเมตตาราณีต่อลูกเลยแล้ะนี่คนของร่นข้าวเสนอว่าเมืองใดไม่มีขวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วขนหยาบเมืองใดไม่มีนาฬีงามเมืองนั้นขาดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไม่เพลิดพิสมัยไม่สนุกสนานคึกคืนเลยโอยพวกเรามันเหลือกินแล้วดนตรเีเพียงจะเอาปงลางอีสานไปบรรเลงให้พระบรมมลาทินี่ฟังเท่านั้นพระราพระบรมมลาจินีอ้าป่าหัวเลยโอยเป็นยังไงเนี่ยอ้าปาหัวแล้วยังไม่พอฟังแล้วรอบหนึ่งจะขอฟังอีกรอบสองอีก น้ำตาเต็มท่นเอาจิตไปหวนระ ล, ลึกถึงบรรพูนที่ไหนไม่รู้น้ำตาเต็มบอกมาด้วยดนตรีอีสานนั่นเองเอแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ดนตรีอีสานเลิศเลิศที่สุดบรรเลงขึ้นแล้วก็ทําให้คนร้องไห้ได้ทําให้คนอยู่ดีๆเต้นและยึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็ได้ทําบรรเลงดนตรีขึ้นเอาเลิศขนาดไหนอ อยู่ในเราโยโยโย่ๆๆๆกันอย่เมือยมือสักลาสักลาอ๋อมันเต้นหัวใจมันเยาวเล่าหัวใจมันได้ขนาดนั้นละดนตรีเลอเมืองเรายังเพิดปิดสมัยด้วยดนตรีวิเศษนั่นเองอเมืองใดไล่ทำกามภัยข้อสุดท้ายนี่ดอเมืองใดไล่ทำกามภัยเมืองนั่นบันไัยแน่เอ้ยถือว่าขาดเมตตากรุณา ขาดมุติตาขาดความรู้จักบุญคุณของผู้มีบุณทาอภัยนั่นแหละทำอภัยก็ทรมาพิจมัยอันเดียวกันนะ <c oughs> ทาอภัยเมือง น, นั่นบนไลัยแน่เอ้ยท่นานทั้งหลายเคยดูข่าวไหมข่าวต่างประเทศเขาเดินขบวนกัน เ, ا, เดินขบวนแล้วไม่ยอมถอยบอกให้ถอยก็ไม่ยอมถอยลุกหน้าเรื่อยไป เขาก็ใช้พละกําลังตีกันหัวล่างข้างแต่ถึงกับทุพพลภาพไปพอมีควางลายตีกันในสภาก็มีนั่นมันขาดคาอภัยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามีคำอำภยัยมีความอดกัน้นทนทานต่อกันและกันอยู่ยึ่งจะด่าว่ากันขนาดหนักก็ไม่ลงไม้ลงมือกันเลยเพราะทำลำอำภัยคุ้มคลองอยู่นั่นเองถ้า เ, เอาใครเป็นตัวยอย่าง เอาในหลวงเป็นตัวอย่างในหลวงมีทดกิศราศิรย์เต็มเปี่ยมและก็อดกั้นทนทานเป็นที่หนึ่งใครจะทำให้โกรธขนาดไหนท่านก็ได้แต่หลับตาปึ๊บปึบอยู่อย่างนั้นอย่างสมัยจำลองฝีเมืองกับกินด า, าพาวยูนไม่หลงรอยกันสมัยนั้นแม่เกลิ้วที่สุดแทบจะเปรี้ยงออกมาทางปากละ ติ่วมากๆเลยแกทำไมทำอย่างนี้ทำไม้ับวบ้านเมืองของเราให้ประชาชนของเราล้มตายกันไปก็มีมันทำไมเผาวาดควาเมืองมันทำยังไงอาจจะพูดอย่างนั้นแต่ท่านไม่พูดอย่างนั้นเลยมันผิทดทศติลัสธรรมขององค์ได้แตโอดกั้นหนักๆที่สุดหลับตาปึ๊บึพูดด้วยปิยาวาจาออกมาข้าวท่านสองทำไมไม่คิดดีด้วกนะ่อนละ รอกาะเจ้า่อนทำอย่างนี้มันดีเรเหลื อ, อทำท่าปรึกษาไปเฉยแต่ว่ากลิวที่สุดแต่วอดกั้นไม่ได้ที่สุดอันนั้นเป็นตัวอย่างาทำมาพิดสมัยในหัวใจของท่านยังไม่พิมยังไม่ทิ้งเลยเอา่อาอ่ำไพคำอ่ำัำยของท่านยังงามในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ถึงว่าเหตุร้ายจะเข้าทับทั่วหัวใจขนาดไหนท่านก็อดกั้นไว้ได้อย่างสบายไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยงหรอกมาให้กระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นเลยเป็นปิยวาจาแน่เป็นคุณธรรมอันล้ำค่าประมาณนี้ได้เรียกว่าขันติขันติอย่างยอดเยี่ยม คันติหิตะสุขาวาคันติสีลังตะลังตะโรคันติตปสปโตรปัดสิโน โ, โอ้ยท่านได้ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยเอาคันติมาใช้งานได้ดีมากเออเพาว่าอดกันต่อคนน้อยด้อยวาสนาก็เป็นคันติอย่างยอดเยี่ยมเหมือนกันคนไหนมีกำาลังน้อยด้อยวาสนา อำนาจวัสนาก็ไม่ถึงเราตาบดาอาวุธก็ไม่ชู้เราไม่ได้กำลังวังชาอะไรก็ชู้เราไม่ได้แต่เราไม่เบียนเวีย น, นเขาเราอดกันไม่ได้ไม่ดา่าไม่ว่าไม่กระทบอกกระเทียบเปีเเยบเปยเขาเลยให้เขาเสียใจเลยเป็นอะไรคันสมรคัญตีอันตีอย่างยอดเยี่ยมเลยต้ <c ười> องจะทำได้หรือเปล่าคนไหน แหม่ต่ำกว่าเรามาว่าให้เราเราจะอดได้ไหมแหม่เขาได้อตระกูลกว่าเรามาว่าให้เราเราจะอดได้ไหมเขาเป็นคนยากคนจนกว่าเราเขามาว่าไอ้เราเราจะอดได้ไหมแหม่เราอาจจะปัดโต้มันมาดูถูกดูมินกูขนาดนี้เลยออาจจะขึ้นมาลองนั้นก็ได้เอนี่คนทุกคนจนมากระทบกระเทียบเราเอือมาดาเรา เราก็เฉยไว้ได้ยิ้มอยู่ในปากนั่นน่ะ <S <S เออเขาก็ชั่วอยู่แล้วเขาก็ต่ําอยู่แล้วเขายังพูดต่ำตำออกมาได้เขายังแสดงกิริยาต่ำตำออกมาได้อีกต่อไปอะไรหนอจะพาให้เขาจเจริญห น, นอต่อไปก็บงสังเวชเตสนี่อ่าเป็นขันตักขันดีอย่างยอดเยี่ยมเราอดกันไว้ได้ดังนี้เอาและ พูดมาก็าเรื่องทานกำจัดความเนีทีเหนียวให้เบาให้บางศีลก็เป็นเครื่องกำจัดกายวาจาใจให้เรียบร้อยกายวาจาใจโลเลแล้วมีศีลแล้วก็เรียบร้อยลงไปได้ภาวนาเป็นเครื่องกำจัดความมืดความหลงของจิตของใจภาวนานางกวเวตวา เอกโจสักครั้งคตติเอกโจโมครั้งคตตินิสังกระยำผู้มีปัญญาแล้วก็ทำให้เป็นนิสัยขึ้นมาจนจินจนเคยจนเป็นอาจินจนเป็นนิสัยในใจแล้วข้อจะเบาจะวางไปได้คาจันทีเลตออกจากจิตใจของเราได้ไม่ได้อาบน้ำำํำคาละบาปเหมือนลัติอื่นท่านลองนา อาศาสนาอื่นอาจจะทำพิธีล้างบาปด้วยน้ำกันเออนี่ไม่กระทบกระเทือนของละตามความจริงท่านเห็นว่าการเข้าโบสเอาน้ำอาบกันล้างกันล้างบาปเอ่ออย่างนี้ก็มีเอ้ า, อาน้ำเนี่ยมันล้างสิ่งกบะกบตกโคกภายนอกกันได้หรอกล้างเสื้อผ้าเอาบอนซีสกบกนั่นอาจจะได้ ด้วยทามที่มันสกปรกอาจจะล้างได้ช่วยเอาผงเอาแป้งเอาอะไรไปล้างไปช่วยมันก็อาจจะถึงความสะอาดได้แต่กินเหรียญในหัวใจจะเอาน้ํามาล้างได้ยังไงได้หรือเปล่าทําให้ความโลภเบาบางได้หรือเปล่าทําให้ความโกรธเบาบางได้หรือเปล่าทาาจจําให้รพระโทรศัมหอเบาบางกางจิตใจได้หรือเปล่าพระพุทธเจ้าเราไม่ทําอย่างานั้น พระพุทธเจ้าเราให้เอาทานสินภาวนาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสล่างกิเลสให้กิเลสเบาบางาทานก็ชำระความจะนีดีเหนียวซะศินก็ชำระความโลเลของกายวาจาใจให้เรียบร้อยซะภาวนาก็ชําระความกิเลสทั้งหลายให้มันเบามันบางลง มันมีกรรมฉันพยาบาททีนวิทะอุจจจะกุตจาวิธิ ก, กิจานิวนรรธนทั้งห้าอาจจะเบาไปจากจิตจากใจเราได้ด้วยการเจริญเมตตาภาวนานั่นเองอย่างความโกรธเราจะเอาอะไรมาชำระมันเล่าเมตตาเี่เมตตาท่านบอกว่าเมตตาเด้อเมตตาเด้อเมตต า, ไ, าไปดีจิตมิตรภาพกับเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย ถ้าเมตตามากๆแล้วความจะโกรธให้คนอื่นคนนั่นคนนี้มันไม่มีเลยเ อ, อ่มันไม่โกรธเลยเพราะมีเมตตาอย่างเรารักลูกเราขนาดไหนเราจะโกรธในลูกเราอะไรได้ได้ไดยังไงเราเรารักใครก็เหมือนกันค่ะเรารักเขาแล้วเมตตาเขาแล้วจะไปโกรธเขาได้ยังไมมงมันเมามันวางไปเองด้วยความแผ่เมตตานั่นเองอย่างว่าลคะ มันเกิดขึ้นมีความกำนังมีความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสให้นผดสะพ้ะในรำมาลมทั้งหลายทั้งบวงเอาอะไรมากําจัดมันละตัวลาภะนัน้นเอ้ยพิจน า, นารณากรรมฐานสิท่านบอกพิจารณากรรมฐานทีน่อสุภากรรมฐาน น, าน่ยพิจารณากายนี่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประกรระันต่างๆบรดูมันทุเวนัเวนทุวันเอ๊หนังมันห่ออะไรไว้ ห่อเนื้อห่อกระดูกห่อเส้นห่อเอ็นห่อดับห่อใจห่อไตหอกรุงห่ออขี้ไว้ทั้งร่างกายเนมันไหลออกมาทุกวันทุกวันพเจารณาดีดีสิพิจารากรรมฐานเนอะตัวราคะมันอย่าบาบางนะว่าไม่อยมีความกำหนัดเลยเห็นไหร่างกายของเราชัดแจกแล้วก็ดูร่างกายของคนอื่นก็เป็นกระดูกเหมือนกันหนังห่อกระดูกเหมือนกัน แล้วปัญญาเยื่อไหลออกมาเป็นเหงือเป็นไคน่เป็นแปนเพื่อนเป็นลำผมนลำผ้านลำเสือ้อนลำผ้าอาพรแล้วก็บกไปหมดมีกลิ่นเหม็นหึงไปเลยเอ่าถ้าหากว่าไม่ทักไม่ล้างแล้วอาจจะเกิดเป็นโรคส ก, กัยเยื่อคันกันวุ่นวาย่โลบวิวน้ำตามมาทันทีแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ไป mm. <laughs> พิจารณาอุปผ้าทุกวันทุกวั น, วนตัวราค่าจะเอาไปเองหรออ่า ความโกรธใครที่แฉแสไม่ตาให้มากๆความโกรธก็จะเองไปเองหรอกโมหะถ้าภาวนามากๆความหลงทั้งหลายก็จะเบาบางไปเองหรอกดังที่แสดงมาเป็นปะกินลกานายเพื่อสอบการในทั้งหลายนําไปใขขวนปีนิดพิจารณาด้วยปัญญาอัญชันตลาดของตนของตนเองเกิด เมื่อพิจารณาแล้วได้ความแล้วอัประมาณทรรมไม่มีความประมาทตั้งหกตั้งใจช่วยปฏิบัติตามไปตามกำลังศัลคาความสามารถของตอนของตอนแล้วต่อจากนั้นก็จะได้ประสบพ ง, งเห็นี่ความดุกความเจริญทั้งทางกดีโลกและทางกดีธรรมทุกประการดังรับประทานบ่อยมามก็สมควรแก่เวลานะ แท้ายอวสานการยุติลงแหงธรรมเทสนานี้ขอให้ตันทั้งหลารตั้งอกตั้งใจแผ่ไมตาม่แเมตตาจิตมิกราพไปหาตัดทั้งหลายผู้มีพระคุณอนุคุณทุกท่านเช่นบิดามารดาครูอบาอาจารย์ปูย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเจ้ากรรมนายเวนทั้งหลายเราขอให้ส่วนบุญ ในสั้งนี้ทุกท่านทุกท่ารโดยเฉพาะหลวงปู่จันโสมผู้เป็นต้นเอกเราจะถวายส่วนบุญส่วนกุศลให้พระคุณเจ้าในเมื่องานจบลงให้สุดภ ค, คุณเจ้ามีอายุมั่นัญยืนมีพละนามัยกำลังกายกำลังใจสมบูรณ์แข็งแรงแ ให้ช น, นะกิเลสฆ่าสุกจัตออุอย่าได้พายแพ้ครับกิเลสทั้งหลายเลย เ, เราให้ส่นบุญอย่างนี้ชื่อว่ามูทิตาสั ก, กระอย่างยอดเยี่ยมไม่เอาอะไรมากมายเราให้จนบุญเราว่าเป็นบุญกุศลเราก็เป็นของเราแล้วเราได้แล้วเราให้ทานเราก็ได้บุญแล้วเรารักษารศิลเราก็ได้บุญแล้วเราเจริญเมตตาภาวนาเราก็ได้บุญแล้ว เราฟังเทศฟังธรรมเข้าอกเข้าใจในข้ออัดก็ดำเราก็ได้บุญแล้วบุญทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละเราถวายให้แก่ท่านจงวิญญาณทั้งหลายอขอวิญญาณทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายนั้นจงอโุโมโนาเอาขับข้าพเจ้าเหมือนตนทำเองเกิดถ้าโมโนาแล้วหากตกทุกข์ขอให้คนจากทุกข์ถ้าถึงทุกข์ ขอให้สมยิ่งยิ่งขึ้นไปสมความต้องการใจของข้าพเจ้าแล้วก็อํานวยรวยชัยให้พวกข้าพเจ้าถูกหวยรวยเลยดีร่ำรวยเลยสีได้สองตัวสามตัวเงาเงาบ่รวยดีตาดูแลอ๋อเนี่ยตั้งใจน่าถามกพรมีน้ํากระเทไม่มีน้ากระเทน้ําใจ อยากกล่าวว a าลูกว่าผูราภาริปุเรนติตากลางเอวเมวายโตทินังเบตาหนังกุบคาปฏิจิตตังปฏิิตตังตุมังกิพเมวะตมิตโตสัพเพปุเรนโตสังขปายนโทภะนัลโสยตาภนิจโตภะนโสยตาสัพพิติโยวิวัตัญโตสัพพนุโคสัพพไฟโยสัพพโลโคมินัสโต มาเตควัตวัรรายโยสุกีสีตาโุโบวะวะอภิวาเดนะสีรสนิจังุธาปิชายิโนจัตตารโรธรรมมาวัตันติอายุวันโนสุ ข, ขังภาลังอายุนั้นขอให้อยู่ยืนมัน่นสถาพรร้อยปียัมีย้อนได้เหมือนกรอนพรณ า, าขอให้มีผิวกายพลัลงามรสนาผ่องใส วิไลตาพิโสภาหน้าชมเจออย่าได้เพื่องเครื่องสัมพันธ์ใดเลยขอให้มีความสุขนิราชทุกนิราชโบกนิราชโลกนิราชภัยแสนเสมยเสมยสิ่งใดที่ได้เคยอย่าละเลยเลวเสื่อมตามจีตขอให้มีกำลังอนันต์ตังมากเหลือหลายกำลังกายกำลังใจกำลังภายกำลังภายนอก กำลังทรัพย์อีกิดสำคัญนะ้าและำกำลังสติปัญญาสา ม, มารถอ่านหารรู้เท่าทันเหตุการ์ได้ดวงตาเห็นธรรมด้วยเดชาสง่างามเสร็จสมตามดังอ่อนเอิน